จเจริญพรทุกทุกท่านวันนี้เรารู้จักว่าเป็นวันลอยกระทงนะจริงสำหรับชาวพุทธเราเป็นวันสำคัญอีกวันเป็นวันที่ท้าสาริบุตรปริธิพันพวกเราโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้ามันคือศาสตร์ เพื่อความพ้นทุกข์จะว่าเป็นาศาสนาก็าไม่เหมือนาศาสนาอื่นๆาศาสนาอื่นๆก็ต้องมีความเชื่อเป็นตัวนําของเราเป็นาศาสตร์คําสอนของพระเจ้าเป็นาศาสตร์ที่มีเหตุมีผลท่านอธิบายแจกแจงได้ละเอียดว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทําไงเราจะมีชีวิตที่ทุกข์น้อยนหรือมีชีวิตที่ไม่ทุกข์เลย เป็นศาสตร์ที่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายจาเป็นต้องใส่ใจเพราะคนเราเกิดมานะก็สแสวงหาความสุขกันตลอดเวลาอยากได้ความสุขแต่ความสุขมันอยู่ที่ไหนนะหามันไม่ค่อยเจอความสุขมอนเหมือ น, เ ห, อนเหมือนจะหยิบมาได้นะแล้วก็หลุดมือไปทุกทีทุกทนะีชีวิตก็อยากได้ความสุขแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะมีความสุข พระพุทธเจ้าสอนเรานะเป็นศาสตร์อันหนึ่งเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกนะเราลงมือทําลงมือปฏิบัติการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราอย่าไปว่าดภาการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นอะไรมากมายผิดธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะถ้าเราเรียนรู้ตัวเราเองได้อย่างแจม่มแจ้งความทุกข์จะไม่มีคนไม่รู้จักตัวเองก็จะมีความทุกขนะ์ ถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็ความทุกข์จะ ห, หายไปเนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยที่เราจะได้ฟังธรรมะที่ตัดตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ส่วนมากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องทำทานตื้อศีลเรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาแต่ธรรมะแท้ๆเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาตัวเอง เราต้องมาหัดศึกษาตัวเองจนะเราเห็นความจริงของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแล้วนะความทุกข์จะกระเด็นไปต่อหน้าต่อตากระเด็นเลยนะอยู่ไม่ได้หรอกความทุกข์จอยู่ในใจเราไม่ได้อีกต่อไปใครๆก็อยากได้ความสุขนะรื่นรนทำอย่างนั้นจะสุขทำอย่างนี้จะสุขนะแต่ไม่รู้วิธีที่จะข จ, จัดความทุกข์ออกจากใจความสุขมันก็อยู่ไม่ได้ พื้นที่ในใจเราถูกความทุกข์แย่งเอาไปหมดอย่างเราตอนเด็กๆ เ, เราก็หวังว่าเรียนหนังสือจบนะเราจะมีความสุขเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นนักศึกษาแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมากคิดว่าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบเข้าจริงๆนะคิดว่าต้องทํางานหาเงินต้องหาตําแหน่งหาเงินมีตําแหน่งสูงๆมีเงินมากๆจะมีความสุขมันก็ไม่ค่อยมีความสุข จะต้องมีครอบครัวที่ดีอย่างน้นอย่างนี้มีลูกมีหลานอะไรอย่างนี้จะมีความสุขสุดท้ายมันก็ไม่มีความสุขอีกเราวิ่งหาความสุขนะตั้งแต่เด็กๆจนวันตายก็ยังหาไม่เจอมันเหมือนภาพลวงตาคนเจ็บหนักๆหลว ก, กพเคยเจอนะนอนดิ้นอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเขยา่าลูกโลงเตียงเนะมื่อไหรจะตายเสีทีโวยนะเพราะว่ามันทุกข์มาก เีสแสวงหาความสุขนะจนตลอดชีวิตเลยสุดท้ายก็คิดว่าถ้าตายแล้วจะมีความสุขเนี่ยมันมีแต่คำว่าถ้าถ้าอย่างนี้จะได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขเราไม่รู้เลยว่าถ้าเมื่อไรเราขจัดความทุกข์ออกจากใจเราได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นเองไม่ต้องไปหามันหรอกหาเท่าไหร่หาไม่ได้มันเหมือนภาพลวงตาวิธีที่เราจะขจัดความทุกข์ออกจากใจเรา เป็นศาสตร์ที่ท่านสอนเอาไว้ท่านสอนไว้อย่างละเอียดมากเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงแล้วทํำยังไงมันถึงจะไม่มาความทุกข์นในทางใจเราเนี่ยมันเกิดจากความอยากความอยากมันมาจากการที่จิตใจของเราเนี่ยยอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาในชีวิตของเราไม่ได้ถ้าเรายอมรับไม่ได้นะใจก็จะดิ้นรนอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเหมือนแต่อย่างปีกลายน้ําจะท่วม เราอยากให้น้ำไม่ท่วมเพราะความอยากเกิดความทุกข์มันก็เกิดน้ำยังไม่ทันจะท่วมความทุกข์ก็ท่วมใจเราเะก่อนละหรือปีนี้ไม่มีภัยรุนแรงอะไรบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งเป็นอะไรยอมรับไม่ได้ว่าร่างกายเราจะเจ็บป่วยไม่ทันตายเพราะมะเร็งก็มีนะช็อกตาย กังวลใจรุ่มใจปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่สามารถยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเรานี้ได้เราอยากให้เป็นอย่างอื่นหรือเรายอมรับไม่ได้ว่าสิ่งดีๆที่กำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนียวันหนึ่งมันจะหายไปเรายอมไม่ได้เรามีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ความสุขนะอยู่นานๆอยากให้ความสุขเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ให้อยู่นานๆอยากให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็หายเร็วๆ ใ, ใจเราไม่ยอมรับสภาวะไม่ยอมรับความจริงที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาหรืออย่างบางคนพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายกับลูกตายถ้าคนไหนเคยลูกตายไปแล้วจะรู้ลูกตายนี่ทุกข์มากกว่าพ่อแม่ตายทำไมพ่อแม่ตายไม่ทุกข์มากเราคิดว่าคนแก่ควรสมควรตายอยู่มานานแล้วเด็กๆนะั้นไม่ควรจะตาย เราไม่เคยคิดไม่เคยคาดหวังนะว่าเด็กจะตายก่อนเราได้บางคนพอลูกตายเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยเพราะมันยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้หรือแต่งงานแล้ววันหนึ่งสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าคนมันเปลี่ยนได้เรายอมรับความจริงไม่ได้นะเราก็ทุกข์มากมายขึ้นมาหรือเราแก่ สองกระจกเห็นตีนกาขึ้นมาหนึ่งอันนะกลุ้มใจมากเลยยอมรับไม่ได้เพราะตีนกาเกิดเยอะๆก็ชินไปเองนะยอมรับได้ก็ทุกน้อยลงงั้นอัตราความทุกข์กับตีนกาเนี่ยจะตรงข้ามกันนะถ้าอันแรกขึ้นมาเนี่ยทุกเยอะพอมีมากๆแล้วทุกน้อยลงยอมรับได้มากขึ้นเงั้นการที่เรายอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่ได้นี่แหละ หรื อ, อยอมรับความจริงไม่ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าตานี้อยู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งมันต้องหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจเราพอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราอยอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์สิ่งที่ไม่ดีมันไม่หายไปสักทีเราอยอมรับไม่ได้มันก็ทุกข์สิ่งที่ดีๆมันไม่เกิดขึ้นเราก็ทุกข์นะสิ่งที่ดีๆเกิดขึ Deadpool, ้นแล้วมันหายไปเราก็ทุกข์อีกทำยังไงเราจะยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาได้เราต้องมาสอนจิตสอนใจของเราให้ฉลาดพาจิตใจของเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตสิ่ง <spe> <practice> ที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายกับใจของเราเองมาเรียนรู้ความจริงในกายมาเรียนรู้ความจริงในจิตใจของเราเรียนรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏในกายทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจเป็นของชั่วคราวพยายามเรียนรู้มาให้เห็นตรงนี้ ถึงวันหนึ่งจิตมันถือยอมรับความจริงได้ว่าปรากฏการ์ทั้งหลายนะจะดีหรือจะเลวก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะเป็นของโ่วครั้งชโชคคราวนะความทุกมาก็เป็นของชโชคคราวความสุขมาก็เป็นของชโชคคราวนะใจะยอมรับได้ความสุขจะไปใจยอมรับได้เพราะว่ามันรู้ว่าความสุขเป็นของชโชคคราวความทุกจะมากนะ็ยอมรับได้ก็รู้ว่าความทุกมันก็ชโชคคราวเนี่เราจะมาเรียนเพื่อให้เห็น ความจริงของชีวิตเรานะทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในร่างกายเราเนี่เป็นของชั่วคราวตัวอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเนี่เป็นของชั่วคราวเราเอาความจริงนี่แหละมาตีแผ่ให้จิตใจมันได้เรียนรู้ซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะวันแล้ววันเล่าเรียนลงไปเรื่อยๆในกายในใจของเราพวกเราที่บอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราเคยได้ยินคําว่าสติปัฏฐานบ้างไหมใครเคยรู้จักสติปัฏฐานยกเสียมีไหม มีคนบางส่วนไม่รู้จักนะน่าเสียดายมากเลยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เรามีสติเรียนรู้ความจริงของกายของใจนั่นแหละสติปัฏฐานมี4อย่างกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายของกายเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมาเรียนรู้ความจริงของเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกาย ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสเฉยๆทางใจจิตตานุอปัสสนามาเรียนรู้ความจริงของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลอย่างจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยจิตดีจิตร้ายอะไรพวกนี้มาเรียนรู้ความจริงหลังนี้ธรรมานุปัสสนานี่เป็นการเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายนะว่ามันมาได้ยังไงทําไงมันไม่มาหรือทําไงมันจะมาะอย่างนิวรณ์ทั้งหลายนะทำไงมันจะไม่มากิเลสทั้งหลายทําไงจะไม่มา กุศลอย่างโพชชงเจตทำไงจะเกิดอริยสัจทำไงจะรู้แจ้งคือเป็นเรื่องของการเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจทั้งหมดในสติปัฏฐาน4ีนี้การที่เราจะมาเรียนรู้สติปัฏฐาน4ี่นะเราก็ต้องคอยรู้สึกตัวไว้ก่อนสติปัฏฐานเป็นเรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจถ้าเราลืมกายลืมใจเราก็ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าขาดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราเคยได้ยินเรื่อยๆนะชอบพูดกันชอบสอนกันว่าต้องมีสมาธิซะก่อนถึงจะเกิดปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธินะนั่งกันเคลิบนั่งกันสงบนิ่งๆทําจิตว่างๆน้อมจิตไปอยู่ในความว่างไม่ยึดอะไรนะสบายอยู่งั้น สมาธิอย่างนั้นเป็นสมาธินอกศาสนาพุทธเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีกสมาธิมี2 อ, อย่างนะสมาธิอย่างที่1จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวนะเช่นเราไปพุโทโธพุโทโธจิตไปอยู่กับพุโทโธไม่ไปไหนเลยจิตเศร้าสงบมีความสุขมีความสงบจะไม่เกิดปัญญาหรอกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจไปอยู่กับพุโทโธ หรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าในจิตใจเราวิ่งไปอยู่กับลมหายใจหรือวิ่งไปคิดตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าวิ่งไปคิดบ้างนะวิ่งไปเพ่งอยู่กับลมหายใจบ้างอย่างนั้นก็ไม่ใช่จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันไหลไปอยู่ที่ลมต่างหากนะไปดูท้องพองยุบนะจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องหรือไม่ก็หนีไปคิดตอนนี้ท้องพองตอนนี้ท้องยุบจิตใจก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว สมาธิแบบนี้ทําได้นะก็จะได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนน้อมจิตไปอยู่ในความว่างบอกว่าจะไม่ยึดอะไรเลยนะนึกนึกเอาเองว่าจะไม่ยึดอะไรเลย้วน้อมใจให้ว่างนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งความจริงก็คือแต่งความว่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปจับอยู่ที่ความว่างอันนะี้ ใ, น ใ, นใจมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไปอยู่ที่ความว่าง นั่นสมาธิที่จะใช้ในการจเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธิที่พิเศษที่สุดเลยแต่อาภัพที่สุดเลยไม่มีใครเรียนเท่าไหร่หรอกส่วนมากแค่คิดจะทําสมาธิแบบลื้อสีชีปลายไปทําใจให้สงบนิ่งๆว่างๆไปนะไม่ไม่เกิดปัญญาหรอกคนละเรื่องกันเลยนั่นสมาธิมันมีหลายแบบเราต้องเข้าใจนะ อย่างสมาธิเราเป็นจากสู่แพทย์ใช่ไหมเวลาทํางานต้องมีสมาธิสมาธิอย่างนั้นเอาไว้ทํางานจดจ่ออยู่กับงานจดจ่อกับรูปตาของคนไข้เนี่ยเราลืมกายลืมใจของตัวเองไม่สามารถมารู้กายรู้ใจตัวเองได้เมื่อแต่รู้แต่รูปตาของคนไข้อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นไม่ไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นสมาธิอย่างนั้นมีเอาไว้ทํางานทางโลกไม่ก็เอาไว้ทําสมาทานทาความสงบจิตเฉย ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่รู้จักสามาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะจิตไม่สามารถหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เราจะไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เลยถ้าใจเราจะหลงไปอยู่ในความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงความจริงกับความคิดคนละเรื่องกันถ้าเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราไม่สามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้เพราะเรารู้จักใจลอยไหมรู้จักไหมใจลอยเมอเมอ ในขนาดที่เหมอเห็นไหมเราก็คิดเรื่องน้นเรื่องนี้ไปสังเกตไม่ว่าเราลืมตัวเราเองเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายของเรานะเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเราเองอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่มีสมาธิถึงจะไหลไปอยู่กับพุทโธนะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่กับท้องพองยุบไปเดินจงกรมอยู่ที่เทา้าที่ตรงน้นตรงนี้จิตก็เคลื่อนไปหมดเลยจิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตไม่ได้มีสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญา จ, จริงมันจะลืมตัวเอง ยิ่งโดยเฉพาะการหลงไปคิดนะเวลาที่เราหลงไปคิดเนะี่ยเราจะลืมร่างกายของเรามีร่างกายแต่ลืมมันเวลาเราหลงไปคิดนะเรามีจิตใจนะจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราเป็นกุศลจิตใจเราโลภโกรธหลงอะไรเนะียมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองเพฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตคือชีวิตก็คือกายกับใจของเรานี่เองนะ ถ้าเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้เราก็ต้องไม่ลืมตัวเองต้องรู้สึกตัวนั้นความรู้สึกตัวการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยมีใครสอนกันนะสอนกันแต่ว่าให้ไปนั่งสมาธิไปทำจิตว่างๆแล้วว่าวนหนึ่งดีเองดีได้ยังไง สมัยพุทธกาลเจ้าชายสิทธธัตถะออกจากวังมาสิ่งแรกที่ท่านไปทำํำก็ไปเรียนกับฤาษีท่านทำสมาธิให้จิตนิ่งนิ่งว่างว่า ง, างนี่หนแหละแล้วท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางไม่มีทางพ้นทุกข์จริงวันนี้สงบนะอีกวันก็ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะวันนี้ไม่มีกิเลสอีกวันก็กิเลสมาอีกแล้วนะท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางท่านเป็นทรมานร่างกายแล้วก็พบว่าไม่ใช่ทางอีกสุดท้ายท่านก็พบทางสายกลางนะมันเป็นสมาธิธรรมชาติที่ท่านมีมาตั้งแต่เด็ก เมื่อตอนท่านอายุสามขวบมีพิธีแรกนากวันพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าแล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุดโททนาไถานาขณะนั้นท่านอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนท่านท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจนะไม่ไดห้หายใจแล้วก็จิตเคลิม้มเคริ้มลืมได้ลลืมตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะได้ปฐมฌานขึ้นมา เมื่อท่านระลึกถึงสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาได้ตอนท้ายๆของการปฏิบัติของท่านท่านก็มานั่งหายใจหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว <c oughs> เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูใจค่อยสงบนะแล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลย <c oughs> สมาธิชนิดที่รู้สึกตัวเนี่ยกระทั่งบางทีภาวนาไปจนร่างกายหายโลกธาตุดับนะ พายุกําลังตึงตังตึงตังเนี่ยจิตเข้าสมาธิรู้สึกตัวอยู่เนี่ยโลกดับไปเลยไม่มีเลยพายุฟ้าผ่าอะไรนี่ไม่มีรู้สึกเลยนะแต่ความรู้สึกตัวไม่หายไปยังรู้สึกตัวอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยต้องมีสมาธิอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าสมาธิที่ทําไปแล้วก็ลืมกายลืมใจเคลิ้มเคลิมลืมเน้อลืมตัวมันจะไปเจริญปัญญาได้ไงถ้าเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะ งั้นพวกเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดถึงคําว่าสมาธินะที่จะใช้สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีๆพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวจะหายใจออกจะหายใจเข้าก็รู้สึกตัวมีความสุขก็รู้สึกตัวมีความทุกข์ก็รู้สึกตัวใจมันโกรธใจมันโกรดใจมันหลงก็รู้สึกอยู่ เห็นใจมันโกรธนะใจเราเป็นคนดูเองนะจิตใจเป็นคนรู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนรู้ว่าความโลภมันเกิดขึ้นความหลงมันเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความหดหู่มันเกิดขึ้นใจเราเป็นแค่คนดูเองนะใจเราเป็นคนดูเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความสุขหายไปความทุกข์หายไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะคอยรู้สึกตัวแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไป นี่แหละวิธีที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นะคืออันแรกรู้สึกตัวให้เป็นเขารู้สึกตัวได้แล้วก็คอยดูกายเขาทำงานคอยดูจิตใจเขาทำงานเรื่อยไปอย่าไปทำจิตให้ว่างๆทาจิตให้ว่างไม่เกิดปัญญาต้องมาเรียนรู้สติปัฏฐาน4นะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความสุขหายไปรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์หายไปรู้ทัน หรือจิตตานุปัสสนานะจิตโอบเพิ่มมาก็รู้ทันจิตเลิกรอบแล้วหายรอบแล้วก็รู้ทันจิตโกรธแล้วก็รู้ทันจิตหายโกรธแล้วก็รู้ทันพวกเรารู้ได้อยู่แล้วรู้ได้ทุกคนอยู่แต่เราลาเลยที่จะรู้เพราะเราไม่รู้ไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดไหนในการที่จะคอยรู้สึกตัวแล้วเห็นความจริงของกายของใจเห็นการทำงานของกายของใจทุกคนรู้สึกได้ทุกคนดูได้แต่ลาเลยไม่สนใจมัน อย่างร่างกายเราหายใจออกเราใค analyze, รรู้สึกเัวเห็นร่างกาย alors, หายใจออกมันจะยากอะไรร่างกายหายใจเข้านะเราก็รู้สึกตัวอยู่เราเห็นร่างกาย <ๆ S 1> หายใจเข้ามันจะไปยากอะไรใช่ไหมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้จักอยู่แล้วร่างกายสุขร่างกายทุกข์แต่เราละเลยไม่สนใจ Tuesday, ความสุขความทุกข์จะเกิดในจิตใจพวกเรารู้จักไหมความสุขเป็นยังไงเราก็รู้จักถามว่าความทุกข์เป็นยังไงรู้จักไหมก็รู้จักใช่ไหมความเฉยๆเป็นไงรู้จักไหมก็รู้จักอีก ความโลภเป็นยังไงรู้จักไหมความโกรธเป็นยังไงรู้จักไหมความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจความเสียใจนะความกังวลความเบื่อความหน่ายความเซ็งนะความอิดช้าพยาบาทความเครียดนะความกังวลอะไรสารพัดความรู้สึกเลยนะเรารู้จักอยู่ทุกชนิดอยู่แล้วแต่เราล้าเลยเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ความสิ่งที่กาลังปรากฏในกายในใจของเรา นั้นเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้เป็นของสําคัญนะเราเราจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะเราได้เรียนรู้ความจริงในกายในใจนี้แหละเรียนให้มากจนมันจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในร่างกายก็เป็นของชั่วคราวทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวถ้ายอมรับตรงนี้ได้ความทุกข์ทางใจมก็หายไปนะมันไม่ปฏิเสธปรากฏการที่กาลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี้แหละงั้นอย่าลืมนะพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆ ใจหนีไปรู้ทันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆพอรู้สึกตัวแล้ ว, ลวก็อย่าอยู่เฉยๆนะถ้ามีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ e mail. มันเกิดอยู่ตลอดเวลายอย่างเรานั่งนะพวกเราหลายคนนั่งเกาไปเรื่อยๆนะเกาคนโน้นเกาคนนี้เกานะก็ยกขยิกก็ยกขยิกนะยกไปแ น, น, นั่งเพ่งๆเไว้นะเราคันตรงโน้นคันตรงนี้นั่นยความทุกข์มันเกิดในร่างกาย หรือเรานั่งแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับตัวนะขยับเอวขยับไหล่ทำไมต้องขยับอ่ะเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรายังลุกขึ้นเดินไม่ได้ยังต้องนั่งอยู่นะลุกขึ้นเดินก็เสียมารยาทก็ต้องนั่งอยู่นั่งแล้วมันเมื่อยก็ต้องขยับไปขยับมาเราความทุกข์ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรกรนะะทั่งตอนนอนหลับเราก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคื้นหนึ่งตั้งหลาย10ครั้งเพราะว่ามันมีความทุกข์มันปวดมันเมื่อยขึ้นมา เนี่ยเปนของอยู่กับตัวเราแท้ๆนะมีมาตั้งแต่เด็กนะเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยเรียนรู้เราไม่รู้ว่านี่แหละของสําคัญนี่แหละถ้าเราเรียนรู้แล้ววันหนึ่งนะใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะใจจะมีแต่ความสุขมันมห ah าศาลที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นเลยความสุขในโลกนี่เป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าขาดคนคนนี้ไปเราก็มีความทุกข์ เราต้องได้ตำแหน่งอย่างนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเสียตำแหน่งนี้ไปเราจะทุกข์อะไรเงี้ยนะต้องมีเงินมากๆถึงจะมีความสุขนะถ้าไม่มีเงินเรามีความทุกข์ต้องมีบ้านแบบนี้ถึงจะมีความสุขถ้าบ้านเราเสียหายไปนะเรมีความทุกข์แม้ว่าความสุขในโลกนะั้นเป็นความสุขที่ยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเรามาหาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปเราจะพบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนคือความสุขที่ไม่ยิงอาศัยอะไรนะ เป็นตัวของตัวเองมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองได้ร่างกายจะแก่จิตใจก็จ ia, ยัง ม, don, ยงมีความสุขร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจก็มีความสุขร่างกายจะตายจิตใจก็มีความสุขคนที่เรารักนะพลัดพรากไปใจเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่ได้เพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างในชีวิตเรามาแล้วก็ไปทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าเรารู้สึกตัวแล้วเรามาเห็นความจริงในกายในใจให้มากนะซ้ําแล้วซ้ําอีก จนวันหนึ่งจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่เป็นของชั่วคราวถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจก็จะค่อยคลายออกแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะยากไปไหมสอนสอนแพทย์ขนาดนี้ไม่ยากนะนกถือว่าง่ายแล้วสอนหลวงพ่อสอนที่วัดยากกว่านี้สอนละเอยียดยิบเลยนะใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหม เอางี้ใครเคยฟังบบ้างแล้วยกมือมีไหมเออถ้าเคยฟังแล้วไม่ยากหรอก น, นะแล้วพวกที่เคยฟังแล้วอ่ะเห็นกิเลสบ้างไหมคนใดเห็นกิเลสแล้วยกมือให้ดูซิมีไหมโอ้มีเยอะเห็นไหมกิเลสมาแล้วก็ไปดูออกไหมใครเคยเห็นความสุขความทุกข์บ้างเห็นไหมว่ามาแล้วก็ไปไหมไ ม, ไม่ไม่ยากอะไรเลยนะของง่ายๆนี่เองเรียนรู้ไปเรื่อยนะซ้าแล้วซ้ําอีกนะ ถึงวันหนึ่งจิตมันจะปิ๊งขึ้นมานะยอมรับว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวยอมรับตรงนี้ได้ความทุกข์หายไปเยอะมากเลยะลังจากนั้นเราก็ภาวนาของเราต่อไปนะจนกระทั้งวันหนึ่งมันเห็นแจ้งขึ้นอีกมีปัญญาเห็นจริงขึ้นอีกร่างกายจิตใจเราไม่ใช่เป็นแค่ของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับดอกแต่ว่าเอาเข้าจริงนะเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ของที่อยู่ในอำนาจเลยแล้วมันเป็นตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเราะ เป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่วันใดที่จิตของเราเห็นแจ้งแนละ้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกมันเป็นปรากฏการณ์ที่อจจัศจรรย์นะจิตเนี้มันสลัดความยึดถือในกายในใจคืนให้โลกได้นะมันเหมือนต่อไปนี้ร่างกายกับตัวเราเนี่คนละเรื่องกันเลยนะจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราคืนให้โลกไปหมดเลยนะมันเป็นอจจัศจรรย์มากเลยเป็นเรื่องที่ประหลาดนะ ถ้าเราศึกษาปฏิบัตินะอย่าย่อท้อซะก่อนคนที่เขาไม่ได้ยินได้ฟังเขาไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้วิธีปฏิบัติแล้วเป็นคนส่วนน้อยเต็มทีคนที่ได้ยินธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะในโลกนี้คนตั้งเยอะแยะในเมืองไทยคนตั้งเยอะแยะมีคนสักี่คน ที่เคยได้ยินเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจทําสติปัฏฐานอะไรนี้พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าตราบใดยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สติปัฏฐานนี่แหละเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะี่ท่านสอนถึงขนาดนี้ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้วิธีเจริญสติปัฏฐานไม่รู้วิธีรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง นะเราเรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรหรอกนะนี่หลวงพ่อเพิ่งไปอินเดียมานะเห็นวัดวาอารามสมัยก่อนสร้างกันไว้ใหญ่โตมโหฬารนะพังทลายไม่มีคนดูแลทำไมมันสูญไปอย่างนั้นเพราะมันไม่มีชาวพุทธไม่มีชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันนะนับวันชาวพุทธแท้ๆ้ล่หล อ, อเต็มทีแล้วนะมีแต่พุทธแต่ชื่อนะ พระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เราบอกเป็นชาวพุทธได้ยังไงคิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องพิธีกรรมถึงปีทําบุญใส่บาทรอะไรอย่างนะี้นะนี่มนุษย์ปลามาสวดนะเวลาตายก็เอาศพไปวัดไปสวดคิดว่านี่คือศาสนาพุทธเหรอคนละเรื่องเลยนะมน้อยนะอเกินไปนะฉะนั้นเราต้องเรียนให้ได้หลักของการปฏิบัติจริงๆเรียนให้ได้แก่นสารของการปฏิบัติจริงๆแล้วความทุกข์จะออกจากใจเราได้จริงๆนะ ธรรมะของท่านนะของจริงนะอยู่ที่เราเป็นคนจริงแค่ไหนเราเป็นคนจริงความทุ่ออกจากใจเราจริงๆเห็นต่อหน้า ต, ต่อตาเลยบางคนเรียน่างหลวงพ่อไม่กี่เดือนของชีวิตจิตใจเปลี่ยนเลยลองไปฟังซีดีดูเวลาเขาส่งกันบ้านรายงานการปฏิบัติจะรู้สึกน่าทึ่งเลยว่าเป็นไปได้ยังไงเขาปฏิบัติในเวลาไม่นานนึกเดือนสองเดือนก็มีนะบางคน ถ้ารู้สึกตัวดูกายดูใจทํางานไปความทุกข์หายไปได้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปได้เคยราย้ายก็กลายเป็นไม่ร้ายนะเคยจมอยู่ในความทุกข์มากความทุกข์ก็ลดลงลดลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงนะทุกแวบเดียวเดี๋ยวก็หายแนละ้วนี่ธรรมะของพระเจ้านะเป็นธรรมะที่ถ้าเราได้ศึกษาปฏิบัติแล้วถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้จริงๆนะลองดูนะ ปกติหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเทศตอนบ่ายเทศตอนบ่ายมันเป็นเวลาพักผ่อนอะ่ะยิ่งพวกเราอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วแต่ละคนอย่างน้อยก็ยี่สิบสาสิบสี่สิบปีนะกินข้าวไปแล้วสลึมสลืนะแต่ว่าหลวงพว่อก็เข้าใจอยู่ว่าเรามันง่วงกันบางทีเอาซีดีมาให้ฟังนะไปฟังซีดีดู หลายบ้านเลยจํานวนมากเลยที่ว่าเดี๋ยวนี้นะเอาขึ้นรถปุ๊บเปิดซีดีหลวงพ่อแล้วไม่เปิดเพลงแล้วลูกลูกขึ้นรถมาด้วยนะลูกก็หัดภาวนาไปได้ชีวิตจิตใจเปลี่ยนนะครอบครัวร่มเย็นมากเลยซึ่งทุกวันนี้ครอบครัวไม่มีความอบอุ่นไม่มีความร่มเย็นแล้วนะเราเอาธรรมะเข้าไปในบ้านเร า, เาสิเหนือครอบครัวเราอบอุ่นครอบครัวเราร่มเย็นได้นะคนมันมีศีลมีธรรมขึ้นมามีความสุขขึ้นมาได้ ทุกวันนี้ความสุขหายากเหลือเกินมีแต่ความร้อนนะที่ไหนก็ทุกไปหมดเลยเราเอาธรรมะมาสู่ใจของเราให้ได้ก่อนแล้วต่อไปคนในบ้านเราก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพอเขาเห็นแล้วนะเขาก็อยากปฏิบัติบ้างก็มีธรรมะในใจของเขาบ้างนะไปฟังซีดีนะให้ให้กันบ้านไปฟังดูวันนี้หลวงพ่อเทเท่า น, นี้ก็พอสมควรแล้วนะทวนเทสเยวก็ เดี๋ยวจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปเอาเลิกแล้วเนาะเอาว่ามาจะถามอะไรสวัสดีค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะหนู <laughs> เออหนูฟังเทปหลวงพ่อนะคะซีดีเนี่ยประมาณสักสามเดือนคือก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความทุกข์ทุกข์มากจนกระทั่งแบบอยากหาวิธีพ้นทุกข์ คือนั่งสมาธิหรือว่าพยายามออกกำลังกายอะไรที่ให้จะผลถูกให้ได้แต่ว่าพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าหนูหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกรหรือเปล่าคะเห็นเห็นตัวเองไหมล่ะหนูเวลาหนูหนูโกรธหนูก็ก os, ร, leaving, รู้โกรธให้รู้รู้ รู้ว่าโกรธพอสักพักมันมันก็ดับเองโดยที่เราไม่ต้องไปมันเป็นเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกคือมันเหมือนอนัตตาคือเราไปยิ่งห้ามมันยิ่งโกรธเคยเคยคิดว่าเราลองห้ามมันโกรธสิอ่ามันก็โกรธถ้าฟุ้งฟุ้งฟุงให้รู้รู้ก็รู้ค่ะแล้วก็เห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มันเหมือนอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆ แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าคือบางบางครั้งเวลาทำงานตรวจคนไข้อยู่หนูก็ทำงานแต่ไม่ได้ภาวนานะคะก็ทำงานคอนซนเทตกับคนไข้แล้วก็ถูกต้องค่ะแล้วก็เวลาอยู่ว่างเราอยากจะภาวนาแล้วก็ดูลมหายใจไปแล้วอยู่ดีฟุง้งมันก็ขึ้นฟุง้งให้รู้รู้เสร็จแล้วมันก็ อยู่มันพอรู้เหมือนมีสติขึ้นมากํากับเราค่ะ ม, มันก็หยุดไปเองต่อหน้าถูกต้อง <นะ S 2> แต่ว่าบางทีก็มีสุกนะคะสุกจนนอนไม่หลับนั่นแหละค่ะคือความทุกข์คือสุกจนนอนไม่หลับสามคืนก็รู้ว่าฟุ้งฟ <úng>, ุงฟุงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนฟังซีดีหนูอยากถามว่าจิตถึงฐานเนี่คืออะไรหรอคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะรู้จักจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมจิตหลงไปคิดรู้จักไหม บเมื่อไรที่เราทราบว่าจิตเราไหลไปคิดนะแม้นั่นจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นจิตจถึงฐานอัตโนมัติเลยเพราะจิตถึงฐานก็ตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตที่ไหลไปแต่ว่าการถึงฐานเนี่ยถึงโดยที่เรารู้ทันว่ามันไหลไปนะถ้ามันถึงของมันเองห้ามไปประคองว่าถ้าประคองใจจะแน่นใจจะแน่นแน่นหนักหนักนะไม่ใช่ของจริงของจริงนะใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตใจจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะค่ะหนูก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยค่ะที่ทำให้ท่านนะเราไม่มีทางคือจะ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มัธยมไปหรือต้นเนี่ยหนูก็ปฏิบัติก็คื อ, อทำอย่างพระอาจารย์ท่านสอนว่านั่งดูลมหายใจ อ, อาบานสติหรือว่าทำวิปัสสนาก็คือแต่ว่าตอนนั้นไม่เคยเกิดทุกข์ขึ้นมากับใจเราอตอนนั้น ทุกเป็นยังไงเราไม่รู้แค่ตื่นเช้ามาไปเรียนมีมคุณแม่ทำให้ทุกอย่างมไม่เคยมีทุกมาก่อนแต่พอเจอทุ ก, กับตัวแล้วแบบ<ม>พอได้ได้ฟังแค่ซีดียังไม่เคยเจอหลงพอ<ม>จริงๆเลยก็รู้สึกว่าเราแบบมันเป็นทางที่เราถึงนิพพานได้ค่ะ<ม>คือถ้านิพพานในชาตินี้ไม่ได้ก็คิดว่าชาติต่อต่อไปก็ต้องทำให้ได้ออต้องคิดอย่างนั้นน ะ, ะเราไม่สามารถทำจิตให้บรรู้มรรคผลนิพพานได้นะ จิตบรรุมรรคผลนิพพานของเขาเองแต่ว่าอยู่ๆเขาบรรลุเองไม่ได้เราต้องพาให้เขาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้มากอย่างเราจะเห็นของคุณก็เริ่มเห็นแล้วอย่างความโกรธมันก็ผุดขึ้นมาได้เองเห็นไหมให้เราแค่รู้นะมันก็ดับให้ดูได้หรือว่าความทุกข์หรือกุศลอกุศลทั้งหมดนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยนี่ส่วนใหญ่เวลาความทุกข์เกิดก็ขยันดูนะพอความสุขเกิดไม่ค่อยดูส่วนใหญ่เผลอๆไป เสียดายตรงนี้แหละถ้าเราคอยรู้อยู่เรื่อยไม่ลืมเหมือนนะเราเห็นในะเดียวความสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปดีมาแล้วก็ไปชั่วมาแล้วก็ไปสุดท้ายใจมันจะสรุปได้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้หรอกถึงวันนั้นนนะั้เราจะเข้าใจธรรมะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยใครอาศจรรันเท่าท่านนะสอนธรรมะอย่างนี้ได้ความทุกเราท่วมใจของเรานะท่านสกิดนิดเดียวไปหลุดออกไปได้แปลกจริง นักบวชการพระกุณเจ้าอะคือตั้งแต่ที่ที่ที่อ่านพุทธประวัติมาเนี่ยคือหลังจากที่ท่านสําเร็จพระพุทธสมาธิมุรเจ้าเลี่ยได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งคือเพื่อตัวเราเองไปได้มีผ่านอีกส่วนหนึ่งคือหลังจากท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็ยังเสำร็จไปโปรดสัตว์อยู่อันนี้คือเพื่อส่วนรวมออันนี้ในส่วนที่ปุณเจ้าบอกก็คือว่าอันนั้นเพื่อตัวเราเองเราจะได้อย่างน้อยเราจะได้ละใช่ไหมครัอันนี้แต่เในส่วนของส่วนรวมเนี่ยนะฮะ คือปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยมันแบ่งเป็นนิกายเถรวาทกับมหายานถูกไหมครัแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการปฏิบัติเนี่ยที่มันหลักหลานนี้หลักหลายเพียอะขึ้นอย่างที่เอ่านขุนเจ้าบอกเช่นเรื่องทางพิธีกรรมเรื่องบุญบาปเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยคืออันนี้ไม่ทราบว่าจะฝากท่านพระอาจารย์ฟามูดไปไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่นะครคือว่าอย่างเวลาในมหาเทวสมาคมเนี่ยใไหนเนี่ยเราแบ่งเป็นนิกายหลักๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเมื่อเพื่อให้ทันให้เพื่อให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเน กับเช่นอาจจะแบ่งเป็นหนึ่งอาจจะเป็นนิกายย่อยที่เน้นวัฒนธรรมสติปัฏฐานหรือมัคคีองแปะซึ่งสมาธิทีเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ให้มาถูกกับจริตแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นนิกายย่อยๆอื่นเช่นนิกายเน้นสมาธิเอสมถะหรือเน้นเบุญบาปหรือเน้นเพ่งลูกแก้วหรือเน้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบ่งย่อยไปเลยจะได้ถูกกับจริตอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่งงั้นเนี่ยบางที บางคนเข้าไปเพราะว่าไม่ทราบหรือว่าไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษามาก่อนเพราะว่าทุกวันนี้ยังคลุมเครืออยู่ฮครัมธรรมะของพระเจ้าไม่คลุมเครือเลยนะชัดเจนมีเหตุมีผลนี้เราศึกษากันน้อยไปถ้าเราศึกษาให้มากขึ้นปัญหาก็ไม่มีแต่ฝากอาตมาไปเถรัสมาคมไม่ได้นะอาตมาไม่ได้เป็นเมมเบอร์ขากับนรมาสการหลวงพ่อค่ะก็ ช่วงที่ผ่านมานี่คือรู้สึกว่าใจมันหลงไปเยอะอะค่ะแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยใจมันเริ่มอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนตัดความผูกพันของใจกับสิ่งที่เคยดึงดูดอารมณ์ได้มากขึ้นแต่ว่ า, าก็ยังรู้สึกหลงเยอะอยู่ค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะที่ฝึกมาถึงจุดนี้ได้ก็ดีอยอะแล้วนะแล้วก็ทําเราต่อไปเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน เห็นไหมเห็น <languages> ค่ะเห็นไหมว่าสุขทุกข์กระใจก็คนละอันเห็นไหมว่ากิเลสกระใจก็คนละอันเมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เราแยกขันได้แยกคาดแยกขันได้นะเราจะเริ่มเดินปัญญาที่แท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันก็ทํางานของมันไปเรื่อยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยนะธรรมะถูกต้องแล้วแต่ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหน อจิตไม่เข้าฐานมัน้งจิตไม่เข้าฐานให้รู้ทันนะจิตออกนอกก็รู้ที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะคำพูดหลวงพอ่อค่ะให้ขอรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้และจิตไหลไปแล้วรู้บ่อยๆสมาธิเราจะเพิ่มขึ้นนะ น, น้ำมันสการทำหลวงพ่อเลยครับจริงๆเนี่ย เท่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันมีศัพท์อยู่สองคำคือว่าสัญส ญ, ญาตะบัญญัติกับสมวนตะบัญญัตินะคือการที่แต่ละนิกายมาเยอะแยะเนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็เรียนรู้จากสัญญาตะบัญญัติส่วนใหญ่นะทํายังไงที่ทุกคนจะเห็นตรงกันเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พระอาจารย์ว่าธรรมะของพระพเจ้ามีอย่างเดียวทําไงให้ทุกคนเห็นเป็นปรามัดบัญญัติดได้ก็เรียนสินะก็อย่างหนึ่งก็คือว่าคือบางทีเนี่ยเราทําสมาธิไปนานหรือนั่งมานานเนี่ย นะสิ่งที่เรานั่งทอดหนึ่งนิวรห้ามีอะไรเนี่ยจริงๆเราไม่ต้อง<ร>มานั่งทองนะว่ <okay. S 2> นั่งนั่งไปสักพักหนึ่งก็รู้ว่าอ๋อให้งงวงวเหานอนเนี่ยเป็นยังไงให้สความสงสารนี่เป็นยังไงหรือบางครั้งมันก็รู้ว่ามันเองโดยที่เราบังคับมัไม่ได้ใช่ต้องอย่างนั้นเลยนะแต่แต่ปัญหาคือว่าผมยังแยกไม่ออกว่าอะไรที่เป็นสัญญาณหบัญญัติเพราะว่าบางครั้งเราอันอ่านอ่า น, น, น, นพระไตรปิฎกมาแล้วก็มันมาคิดนะในสิ่งที่คิดก็อย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เราเห็นบางครั้งเนี่ย มันมีอีกตัวหนึ่งสึ่งผมบอกไม่ได้บางคืออะไรบางครัง้งมันมาบางครั้งมันก็ไม่มาเราเราต้องศึกษาก่อนนะสมมุติบัญญัตินะ่ะอาศัยสมมุติบัญญัติแล้วก็มาหัดดูของจริงถึงจะเห็นปรมามัตธรรมได้นะสมมุติเราคู่กับปรมัติปรมามัติเป็นของจริงแต่อาศัยสมมุติแหละฟังเราไม่จะสามารถทําคนทุกคนให้เหมือนกันได้หรอก เราไม่ต้องคาดหวังถึงขนาดว่าเราจะเปลี่ยนคนในสังคมใหญ่ให้เหมือนกันคนในบ้านเรายังไม่เหมือนกันเลยเราเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะงั้นเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเราศึกษาปฏิบัติทมถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นได้อย่างชัดๆเนี่ยเขาก็ตามเราเองแหลนะเราจะไปโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนมาทาอย่างเดียวกันฆ่ากันตาย มีความพยายามมามากแล้วที่จะให้าศาสนาเหลืออันเดียวนะเราก็ไม่เคยสำเร็จเลยอย่างซิกเกิดขึ้นมาอยากให้ทุกาศาสนาเหมือนเหมือนกันกลายเป็นเพิ่มาศาสนาอีกอันหนึ่งมันไม่ได้หรอกมันผิดธรรมชาติความรู้ความเข้าใจของคนไม่เหมือนกันความต้องการของคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนเขาต้องการแค่ความสงบถ้าเขาได้ความสงบก็โอเคแล้ว มรกร า, ารหลวงพ่อคะ่ะคือว่าลูกก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งนานนะคะแล้วก็เวลาฟังซีดีแล้วเนี่ยก็เคยมีความคิดว่าอยากจะถามนะะแต่ว่าคำถามทั้งหมดแล้วก็คำตอบเนี่ยก็ได้จากซีดีมาตลอดนะคะทีนี้เวลาฟังซีดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีความคิดที่เป็นอกุศล น, นะคะ mm hmm. ทีนี้ก็เลยอยากจะออขอกราบหลวงพ่อว่า mm hmm. ขอขอท่านช่วย เรียกว่าบางครั้งที่บางทีเวลาเราฟังแล้วเกิดเป็นอกุศลก็กลัวว่าจะเป็นการบาปนะคะก็อยากจะขอเข้ามาหลวงพ่อว่าเพื่อท<ร>ี่ไม่ให้เป็นทางปิดกั้นนะคะอืมอ่ะ น, นะรับการเข้ามานะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรใจมันจะคิดเราห้ามมันไม่ได้นะหลวงพ่อก็เคยนะแต่เคยครั้งเดียวในชีวิตเลยเคยโมโหครูบาอาจารย์ปกติรักครูบาอาจารย์ที่สุดเลยโมโหเพราะรักน ะ, นะคราวหนึ่งไปอยู่กับหลวงพุทธเทศนะ แล้วมีคนหนึ่งมานั่งถามท่านเรารู้ว่ามันแกล้งถามถามทรงเดชเป็นนัถามอย่หลวงปู่เหนื่อยนะตอบแล้วแตอบอ่บไปถามอยู่นั่นนะไม่ได้ปฏิบัติหรอกในใจก็นึกทีแรกก็เป็นห่วงหลวงปู่กลัวท่านเหนื่อยมากนะห่วงไปห่วงมาโมโหท่านนะหลวงปู่ไปตอบเป็นทำไมมันหลอกถามถามทรงเดชมันไม่เป็นปฏิบัติหรอกอะไรเงี้ยแล้วไปโกรธท่านนะเพราะว่ารักก็ เ, เลยโกรธเสร็จแล้วพอเข้าไปนะท่านก็หันมายิ้มๆนะท่านบอกว่า เราต้องพูดกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาโกรธเรานะถ้าเขาโกรธเราเดี๋ยวเขาบาปมากดูสิใจของท่านนะมันไปอีกระดับหนึ่งนี่อยู่ๆเราไปโกรธครูบาอาจารย์เราห้ามใจเราไม่ได้เห็นไหมเพราะงั้นถ้าจะโกรธหรือฟังแล้วเกิดอกุศลอะไรนะกับหลวงพ่อเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นทุกคนแหละหลวงพ่อยังเคยเป็ดเลยแต่เป็นครั้งเดียวก็ <c oughs> แล้วอยากจะถามหลวงพ่อว่าเออที่ลูกปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างนะคะหลวงพ่อ เห็นใจของตัวเองไหมแต่ละวันบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็เหมือนหลงไปยาวอ่ะเห็นไหมว่าเวลากิเลสเกิดมันเกิดตรงไหนมันก็เกิดเหมือนเกิดที่ตรงในใจเรานา ะ, นะะมันปุดขึ้นมานะเี่ยเห็นไหมมันหายไปค่ะมันมาแล้วมันก็หายไปเห็นไหมมันบังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ความจริงอย่างนี้บ่อยๆนะดีแล้วละ่ะขอบพระคุณค่ะ นรัปส ก, การนะคะหลวงพ่อ mm hmm. ก็คือตอนนี้หนูเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาณสามสี่เดือนได้ะคะ่ะแต่ว่าหนูก็ปฏิบัติแบบสะเวิสะปะทั้งแบบนั่งในรูปแบบบ้างแล้วก็ตามแนวทางของหลวงพ่อบ้าง mm hmm. ค่ะก็รู้จิตตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นโทสะจริตคะ่ะ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าคือบางทีเนี่ยเวลามีวิบากมาเยอะๆคะ่ะบางทีหนูรู้นะคะว่าหนูโกรธแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะแบบหยุดได้อะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบ มันต้องรับวิบากไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็เสียเวลาชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามมันไม่ได้ค่ะอย่างนี้แบบว่าหนูจะหนูที่แก้ไขยังไงได้แก้ไม่ได้เราไม่ได้ฝึกแก้นะเราฝึกเพื่อให้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราไม่ได้ฝึกดัดแปลงกายดัดแปลงใจอย่างความโกรธจะเกิดห้ามมันไม่ได้ะความโกรธมาแล้วจะให้หายเร็วๆก็ห้ามมันไม่ได้นะดูไปเรื่อยจนใจยอมรับความจริงบางทีมัน มันเห็นแต่มันไม่หยุดใจเราไม่เป็นกลางกิน mm hmm. นะใจเราอยากให้มันหายไปนะให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบมันนะถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ชอบความไม่ชอบดับนะตัวมันจะดับอัตโนมัตินะแล้วที่หนูปฏิบัติอยู่นะตอนนี้นี่คือมันโอเคไหมโอเคนะแต่ต้องทำอี ก, อกมันมีโอเคต่อไปเรื่อยๆนะ oh. ตอนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกแล้วแต่ว่าความถูกยิ่งกว่านี้ก็มีอีก เราค่อยๆฝึกไปเราวิธีอ่าในรูปแบบที่หนูปฏิบัติอยู่นี่มันได้ไหมคะทํายังไงล่ะทําอะไรก็ดูเวทนาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งแล้วก็ดูเวทนามันไม่รู้เป็นแนวทางที่ไปได้กันได้หรือเปล่าได้แต่เวลาดูเวทนานะให้เห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งให้มันแยกกันนะถ้ามันไหลไปรวมจิตไปรวมอยู่กับเวทนาก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะ ให้มันแยกออกจากกันแล้วถือจะใช้ได้หมดเวลาพอดีนะเราพอมีธุระต้องไปต่อฝากไว้หน่อยนะเราในทางโลกพวกเราก็ถือว่าเป็นคนระดับนำนะในชีวิตทางโลกของพวกเราเป็นคนระดับนำของสังคมแล้วลนะ่ะถ้าเราได้ศึกษาธรรมะด้วยใจเราก็จะ มีความสุขมากนะทุกวันนี้ถึงเป็นคนระดับนำของสังคมเนะี่ยถ้าเราไม่รู้จักธรรมะนะเราก็ยังทุกข์อีกหลยนะจะเป็นคนในระดับสูงระดับล่างก็ทุกข์ทั้งนั้นนะนะงั้นไหนๆเราก็มีโอกาสมากกว่าคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แค่หาอยู่หา ก, กินไปวันๆหนึ่งนะก็แทบแย่แล้วไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองหรอกพวกเราไม่มีปัญหาระดับความอยู่รอดนะเราสูงกว่านั้น เรามีเวลาที่จะพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราอย่าทิ้งโอกาสซะเปล่าๆนะยิ่งแก่ยิ่งฝึกยากนะยิ่งแก่ยิ่งยากรีบฝึกเจ้าตั้งแต่ตอนนี้แหละดีที่สุดละนะพอไปแล้วนะ